ในชาติสุดท้าย ท, ที่อยู่ในสวรรค์เนี่ยจึงดำรงอยู่ตลอดอายุขยเพราะว่าบารมีเต็มแล้วเหมือนคนที่อะไรนะทำทุกอย่างเสร็จแล้วรอรับตำแหน่งอย่างเดียวคล้ายๆแบบนั้นพอจุติจากอ่พอก่อนจะสิ้นพระชนมายุจากสวรรค์ชั้นดุสิตก็เกิดพุทธะโกราหนขึ้นพระองค์ก็ปฏิญาณรับปฏิญญาแก่เทวดาทั้งหลาย พระองค์ก็จุติจากดุสิตถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางสุชาดาเทวีในราชาสกุลของพระเจ้าสุนันทกรุงรมวดีในขณะที่พระองค์ทร ง, ทรงถือปฏิสนธิก็บังเกิดปาฏิหาริย์ประการดังที่กล่าวแล้วในวงของพระพุทธเจ้าพระนามวธีปังกรพระองค์ก็มีเหล่าเทวดามาอารักขาปกติแล้วก็มีเทวดาเนี่ยโดยเฉพาะเทวดาชั้นจาตุ ม, มหาราชมาจากหมื่นจักรวาล ก็จะมีการแบ่งแบ่ง Sch บ so ่งการดูแลเนี่ยนะเขากว่าแบ่งเขตการดูแลนะเขามีการเทวดามาเข้ากะเข้าเวรในการดูแลพระพุทธเจ้านะโดยเฉพาะที่อยู่ในพระคันเนี่ยนะโดยปกติแล้วเนี่ยพระมเหอพระนพระเทวีเนี่ยเช่นพระนางสุชาดาเทวีเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้ก็จะมีเทวดาเนี่ยอยู่ในอยู่ใน4ี่ทิศตลอด เว้นไว้แต่ไม่เห็นเทวดาตอนที่พระองค์เข้าห้องน้ําเข้าอะไรเนี่ยนะชําระศรีระร่างกายเทยวดาเหล่านั้นก็จะหายไปแต่ถ้าโดยปกติธรรมดาแล้วก็จะมองเห็นเทวดาเอาถามว่าท่านไม่ตกใจกลัวหรือเห็นเทวดาบอกไม่ก็เหมือนกับเห็นทหารยามธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะเพราะว่าอะไรเพราะอนุภาพของพระโพธิสัตว์ทําให้พระพุทธมารดานั้นไม่กลัวไม่ไม่หวัน่นไม่ตกใจไม่อะไรสักอย่างถามว่าเทวดามารักขาทําไมก็บอกว่ากลัวพวก พวกอะมนุษย์หรือกลัวพวกเดรัจฉานกลัวสัตว์ ร, ร้ายจะมาทาให้ท่านตกใจอันนี้ในหนึ่งอีกในหนึ่งก็ด้วยเพราะบุญญาณุภาพของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะเพราะท่านเคยอารักขาคนที่กวนอารักขามามากบุญเหล่านั้นก็ทำให้มีคนที่มีแต่ความคิดว่าจะปกปักรักษาท่านได้อย่างไรพออยู่ในพระคันครบถ้วนกี่ปี ส, สิบเดือนก็พอนะ ถ้าเจ็ดปีก็พระศิวะลีแล้วพระองค์ก็อยู่ในพระคันเนี่ยครบทศมา ถ, ถ้าสะแล ว, ว่าสิบเนี่ยนะมาสระแล้วว่าเดือนทศทศมาก็คือสิบเดือนผ่านไปก็ประสูติจากพระคันพระมารดาพระองค์นี้เป็นยอดของสัรพสัตว์ทั้งหลายยอดก็คืออัคระนะถ้าเป็นต้นไม้ก็สูงที่สุดแล้วว่างั้นนะพระองค์พอหลังจากประสูติออกมาก็บ่ายพระพักไปทางทิศอุดร เสด็จย่างพระบาทได้เจดเก้าทรงแลดูทุกทิศ ต, ตรวจดูเลยนะทิศทุกทิศเขบอกว่าทิศทุกหนทุกแห่งเนี่ยจะมองเห็นลโล่งไปหมดเลยมองเห็นเหมือนกับทะลุโปร่ปรงแต่โดยปกติแล้วสายตาธรรมดาปกติของพระโพธิสัตว์มองได้ร่วมยี่บกิโลเมตรทั้งข้างบนข้างล่างข้างซ้ายข้างขวานเนี่ยท่านหันไปทางไหนเนี่ยแล้วพระโพธิสัตว์เนี่ยหันคอไม่ได้นะหันคอแบบแบบเอี้ยว ไปดูอย่างนี้ไม่ได้ต้องหันทั้งตัวใครว่ากลับถ้ากลับก็กลับทั้งตัวเลยคล้ายๆชาวเหมือนนั้นถ้ากลับต้องกลับทั้งตัวมันพระองก็นะใครว่าหันดูรอบทิศก็แผ่นดินก็เป็นเหมือนกับแป้นหมุนเนี่ยนะหมุนให้ดูรอบทิศหมดเลยพอดูรอบทิศเสร็จก็เป่งอาสพิวาจาอาสพิอาสภะเนี่ยนะก็คือหมายความว่าองค์อาจนะเป็นวาจาที่องค์อาจเป็นวาจาที่ไม่มีความคลั่นครล่มไม่วันไหวไม่ใช่แบบ เคยเห็นแบบหวาดเสียวพูดทั้งสะดุง้งพูดทั้งหวาดกลัวพูดด้วยความหวาดระแวงเป็นต้นพระโพธิสัตว์ไม่ใช่อย่างนั้นปร่งเปล่งวาจาด้วยความองอาจว่าอคโคหมสมิเชตโธเศธโโลกัสะอヤมันตินติชานิปุณัพโวเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกหมายความว่าในโลกนี้ไม่มีใครจะเลิศกว่าเราอีกแล้วในบรรดาสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้า สัตว์ทุกชนิดที่มีอยู่ในโลกเราเลิกกับสัตว์ทั้งหมดเป็นยอดของสัตว์แล้วเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกอคโคหมัสเมเชธโเธเศโธเชโธแปลว่าเจริญในที่นี้หมายถึงว่าท่านเป็นพี่ของบรรดาสัตว์โลกทั้งหมดท่านนับว่าเป็นพี่เหมือนอย่างว่าที่พระองค์ตรัสให้เวรัญชพรามฟังว่าเหมือนอย่างว่ามีมีไก่มีไก่อยู่ตัวหนึ่ง มีไข่อยู่1 8ฟอง10ฟอง12ฟองทีนี้แม่ไก่ก็กกเป็นอย่างดีเนี่ยนะลูกไก่ตัวใดใช้จะงอยปากเจาะเปลือกไข่ออกมาก่อนลูกไก่ตัวนั้นควรจะเรียกอะไรเรียกพี่ฉันใดเราก็เป็นผู้ประเจริญที่สุดในโลกเพราะพระองค์ก็ทำลายกระป๋ะไก่คือกระป๋ะไข่เคือวิชา อวิชชาที่ปกปิดอดีตด้วยปุเพนิวาสานุสติยานปกปิดปัจจุบันปกปิดอนาคตด้วยจุตูปป า, ปาตายานปกปิดสัจจะทั้งหลายด้วยอาสวัคคยาญเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลกเศโธเนีเ่ยเชิดโธเศโธเนี่ยเศโธผู้ประเสริฐนะหมายความว่าไม่มีใครดีกว่านี้อีกแล้วอย่างมากก็เท่านี้แหละอย่างเก่งก็เท่านี้คือใครคือพระพุทธเจ้าด้วยกัน อย่างเก่งก็เป็นพระพุทธเจ้าด้วยกันพระพุทธเจ้าจะไม่มีล้ํากันอั น, น, นในพระพุทธคุณทั้งหลายไม่มีการเหลื่อมการล้ําเสมอกันเป๊ะเลยมั้นนั้นเราจึงเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกอยะมันตินัติชานิปุณพะโวการคลอดครั้งนี้นะชาติการประสูติการคลอดครั้งนี้ถือว่าเป็นการคลอดครั้งสุดท้ายบัดนี้จะ ปุนัติชานิปุณพโวไม่มีการคลอดอีกต่อไปไม่มีการเกิดทั้งไม่ว่าจะเป็นโอปปาติกะนะนะโอปปาติกะเราก็ไม่เกิดอีกแล้วสังเสทชะชลาผู้ชอ น, นะไม่มีการเกิดอ น, นะหรือเกิดในคันเกิดในใครเกิดเป็นในเท่าใครหรือเกิดเป็นโอปปาติกะตั้งแต่นี้ไปไม่เกิดอีกแล้วเนี่ยนะนั้ น, ะ น, นพระองค์นั้นจึงไม่ได้เกิดเป็น จุดพอพระองค์ดับขันปริญพานแล้วพระองค์ไม่ได้ไปปรากฏตัวที่ไหนในพบใดพบหนึ่งพวันถ้าใครบอกว่าพระพุทธเจ้ามาหาเขาเนี่ก็คิดให้จงมากไว้ก่อนนะนะเพราะว่ามันก็ขัดกับพุทธพจน์หลายแห่งด้วยกันมาว่าเขาเนี่ยพระพุทธเจ้ามาเยี่ยมเป็นปกติเลยอย่างเงี้ยนะบอกว่าพระพุทธเจ้าคนละองค์แล้วละคนละาศาสนาแล้วละ่ะว่างั้น ในวันนั้นวันไหนเขาคือถัดจากวันนั้นไปวันขนานพระนามของพระโพธิสัตว์นั้นพระประยุรยาทั้งหลายก็ขนานพระนามพระองค์ว่าโกนทัญญาความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงมีโคตเป็นโกนทัญญาโคตนะพระองค์เกิดในตระกูลอะไรเนี่ยตระกูลกษัตริย์น แต่ก็เป็นนามสกุลโกนทัญญะก็เลยตั้งชื่อว่าโกนทัญญะเนี่ยนะแสดงว่าเป็นบุคคลพิเศษเนี่ยนะเชิดชูวงตระกูลได้ตั้งชื่อเป็นตระกูลไปเลยเนี่ยนะความจริงพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะมีโคตเป็นโกนทันญะโคดเล่ามาว่าพระองค์มีปราสาทสามหลังที่น่ารื่นรมย์อย่างยิ่งคือรามสุรามสุภาปราสาท รามะกับรุจิเนี่ยไม่ต่างกันนะความหมายมรามะก็น่ารื่นรมหน้าเพลิดเพลินรุจิก็น่ายินดีก็แล้วแต่จะเรียกเป็นไวยพจน์ต่างกันเท่านั้นเองสรุปว่าเป็นปราสาทที่สวยงามมากปราสาททั้งสมหลังนั้นนะมีสตรีนักฟ้อนอันนี้ยกนักฟ้อนเป็นประธานทั้งสตรีที่เป็นยามสตรีที่คอยดูแลจัดสวนอะไรทั้งหมดเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จก็ประมาณสา 0,000 นาง พระองค์มีพระมเหสีพระนามว่ารุจิเทวีมีพระโอรสนามว่าวิชิตเสนะครองคารวาสวิสัยอยู่หมื่นปีนะสมัยนะั้นเนี่ยคนอายุแต่งงานอายุเท่าไหร่ดูไหมเด็กหญิงพอจะแต่งงานได้อายุประมาณห้ารอปีนนเด็กหญิงหนะ้าอายุห้าร้อยปีนะของเราก็ไม่รู้เรียกอะไรเนาะทารกเลยเลยเนาะถ้าหากว่าอายุห้ารอปีเรียกว่าเด็กหญิงเนี่ยนะ ของเราทั้งหลายก็ป้าเพ้นซีก็ต้องแบบเออยังทารกอยู่เลยนะพระโพธิสัตว์นั้นพระองค์ก็เห็นเทวทูตเทวทูตก็ตามสูตรนะนะคำว่าเทวทูตเนี่ยแปลว่าทูตของพระพุทธเจ้าเพราะผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องเห็นอย่างเนี้ยจึงจะออกบวชเนี่ยนะออกบวชแล้วก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เห็นคนแก่นี่เราก็เห็นกันทุกวันเนี่ยนะแต่ทําไมไม่ต่างกันยังไงเนาะ แต่คนเขาพระพูดแต่พระโพธ่สัตว์ท่านก็เห็นเราก็เห็นเห็นแล้วมันแสดงว่าคิดไม่เหมือนกันแน่จึงผลจึงออกมาแตกต่างกันพระองค์งก็ไปเห็นคนแก่แล้วก็เห็นคนป่วยเห็นคนป่วยเราก็เห็นเหมือนกันเนาะดูแลคนป่วยด้วยแต่ว่าคิดยังไงบ้างเมื่อดูแลในที่สุดก็ไปงานศพก็ไปกันบ่อยๆนะเนี่ยนะเป็นเปลี่ยนกันไปแล้วคิดยังไงบ้างพันก็แล้วพอเห็นนักบวชก็ใส่บาตรกันทุกวันเนี่ยนะแล้วคิดยังไงบ้าง พอคิดต่างกันนี่แหละผลลัพธ์ออกมาจึงต่างกันพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านคิดว่าอย่างไรถ้ากล่าวตามพระสูตรใช่อว่าปาปาปาสราสิสูตรนะนะปาสราสีสูตรเนี่ยพระองค์มองเห็นคนพระองค์มีความคิดขึ้นว่าตอนนั้นเราเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้นะก่อนเมื่อตรัสรู้เราเป็นพระโพธิสัตว์เราได้มีความคิดว่า ก็เราเองเป็นผู้ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาเนี่ยนะเราก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอีกเราเป็นสิ่งที่มีอ่เป็นสิ่งที่หรือว่าเป็นผู้ที่มีความแก่เป็นธรรมดายังแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่อีกเราเป็นผู้ที่มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บป่วยอยู่อีกเราเป็นผู้ที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มี ความตายเป็นธรรมดาอยู่อีกเรามีความเศร้าโศกเป็นธรรมดายังแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าโศกอยู่อีกเรามีความเศร้าหมองด้วยตัณหามานะทิฏฐิทุจริตทั้งหลายเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งเหล่านั้นอีกอยากกันนั้นเลยเราควรแสวงหานิพพานที่พ้นจากความเกิดเพราะเราเมื่อไปผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาเราควรจะแสวงหานิพพานที่ไม่เกิดเป็นธรรมดา เราเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาก็ควรจะแสวงหานิพพานที่ไม่แก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาก็ควรแสวงหาพระนิพพานที่ไม่เจ็บป่วยเป็นธรรมดากันะเราเป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดาก็ควรแสวงหาพระนิพพานที่ไม่ตายเป็นธรรมดาเรามีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาก็ควรจะแสวงหานิพพานที่ไม่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาเรามีความ เศร้ามองเป็นธรรมดาก็ควรจ ะ, สะแสวงหาพระนิพพานที่ไม่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาเพราะคิดได้อย่างนั้นก็ออกบวชก็สแสวงหาว่าอะไรคือกุศลสแสวงหาสันติวรบดอย่างนั้นแหละก็เลยพระโพธิสัตว์ก็เลยออกพิเนสกลมด้วยรถทรงเทียมมา้าแสดงว่าม้าคู่หนึ่งนะนั่งรถบวชเลยพรงผนวดแล้วบำเพ็ญเพียรเนี่ยนะด้วยความภาคเพียรพยายามอุตสาหาเจริญสมถวิปัสนาอยู่สิเดือน อันนะเดือนพระโกณธัญญากุมาณนั้นผนวดอยู่คนสิบโกรธก็บวชตามสเสด็จตามพระโกนธัญญากรุมาณนั้นบริวารมากเหลือเกินเลยนะแสดงว่าตอนทําบุญนี่ขยันชักขยันหาพวกอันนะั้นทบุญไหมนะไปด้วยกันไหมอะไรแสดงว่าขยันหาพวกบ่อยก็เลยมีบริวารเยอะนะั่นนะคนเหล่านั้นแวดล้อมแล้วก็บําเพ็ญเพียรอยู่10บเดือนคือไม่แปลกใจหรอกว่าทําไมท่านมีบริวารมากมายก็ ท่านนะเป็นนักทําบุญทําบุญอย่างเดียวมา16อสงไขยแสนกับคิดดูว่าจะมีพวกขนาดไหนนะอย่างเงีพันพวกนี้เนะี่ยบอกว่าทำอะไรบอกด้วยนะก็จะมีแบบคล้ายๆแบบนี้ตลอดถ้าท่านบวชก็ชวนบวช ด, ด้วยนะพันก็บอกได้ข่าวว่าออกบวชอันนี้ไม่ต้องชวนตามไปเองเลยเพราคือผู้มีบุญเ้าก็เป็นอย่างนั้นบริวารเยอะนะเพราะว่าอดีตทําบุญร่วมกับผู้อื่นมามากพันผู้อื่นก็ไม่ทอดทิ้งและท่านก็ไม่ทอดทิ้งผู้อื่นเนี่ยนะกะ็ไปก็ไปจะไปด้วยก็ไปา ก็เลยติดตามบวชเยอะแยะไปหมดเลยไม่บวชเงาเนาะังเรื่องเนาะไม่ตามไปเท่าไหรนะ่นาะตามไปบวชตั้งหนึ่งนะเรื่อนะทีนี้พระองค์นั้นก็บำเพ็ญเพียรบวชบวชสิบเดือนนี่แสดงว่าบวชวันไหนบวชวันอาสาฬหะอาสาฬหะก็คือวันเพนเดือนแปดเป็นวันที่พระองค์ออกบวชบวชไปสิบเดือนจนถึงเพนเดือนวิสาขะเนี่ยนะมันเพนเดือนหก พระองค์ก็สเสวยข้าวมาทุปลายัรสอร่อยอย่างยิ่งซึ่งที่ดาเศรษฐีชื่อว่ายาโสธรายาโสธรเนี่ยนะยโสเนี่ยยสะแปลว่ายศยศอ่ะนะยศหรืออำนาจยาสะเนี่ยแปลว่ายศธระแปลว่าส่งไว้ยโสธรก็หญิงผู้ทรงไว้ซึ่งยศแปลว่านางผู้มียศบริวารมากเป็นต้นนั่นเองเรียกว่ายาโสอย่างเมืองยโสธรก็เมืองคนมียศนะนะั่นแหละเมืองเมืองเมืองมียศอ่ะนะเมืองมียศ ยะโสโอหังเนี่ยที่จริงยะสตัวนั้นเนี่ยแปลว่ายศโอหังก็อะหังก็คือสําคัญตัวเองว่าตัวเองเป็นผู้มียศไงยะโสโอหังก็คือคนที่มีความมีแต่ความมั่นใจว่าข้าเนี่ยมีอํานาจมีบริวารจะทําอะไรก็ได้อันนั้นหมายความว่าประกาศถึงความลำพองที่เกิดขึ้นก็เลยเรียกว่ายาโสโอหังเนี่ยนะแต่ว่าจริงๆคาว่ายาโสเนี่ยแปลว่ายศนั่นเองทระส่งไว้ซึ่งยศอ่า นางยโสธราเนี่ยนะซึ่งเป็นทิดาของเศรษฐีที่มีความงามเนี่ยอยู่ณหมู่บ้านสุนันทคามนางก็ได้ถวายข้าวมัทุปายาเสร็จแล้วพระองค์คือพระโพ ธ, ธิสัตว์ก็ยับยั้งพักกลางวันณนปะ่าต้นสาระที่ประดับประดาด้วยผลและใบอ่อนและหนอ่อต้นสาระที่มีทั้งลูกมีทั้งใบอ่อนมีทั้งหนอก็แปลว่างดงา ม, มานะในเวลาเย็นพระองค์ก็ละหมู่ คือพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์เนี่ยนะที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต้องรู้สึกมีความเบื่อหน่ายจากหมู่ถ้าไม่ละหมู่หมู่ก็ละมีอยู่สองอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยอะไรพระปัญจวัคคีย์เบื่อหน่ายนี้ไปเองพระพุทธเจ้าบางองค์บอกเบื่อหน่ายในหมู่ก็เดินจากไปเนี่ยนะก็มีอยู่สองอย่างถ้าหมู่ไม่จากก็จากหมู่เสียเองนะ น, นี้หมู่ไม่ยอมจากนะเพราะไปกันเยอะหมู่ไม่ยอมจากนั้นจากหมู่เองก็ได้อนะ่ ลาเพื่อลาลาหมูคณะไปเองเลยก็รับยาแปดกรรมที่สุนันท h อาชีวกถวายแล้วพระองค์ก็มาทำประทักษิณต้นสาละกาลยานีต้นขานางเนี่ยนะลต้นสวยก็เลยเรียกว่าต้นขานางครั้งนั้นพระองค์ก็สํารวจดูทิศนะนะจริงๆก็ตรวจดูทิศอื่นก่อนนะนะไปวางพวก้าเนี่ยจะไปตั้งไว้นะทิศใต้ก่อน เนธิศมันก็เกิดการวันไหวขึ้นนะวันไหวเหมือนกับใครเคยเห็นลออรถมัง้งลออรถที่มีเหมือนกับมีแกนกลางอะนะแต่แล้วถ้าไปเหยียบข้างหนึ่งปั๊บอีกข้างหนึ่งก็จะกระดกขึ้นหมดพระโพธิสัตว์พอวางกรรมยานะส่วนใยนแผ่นดินก็เรียกว่ามันเหมือนกับวันไหวไปหมดเลยไปวางที่ใต้ก็แล้ววางที่ตะวันตกก็แล้ววางที่เหนือก็แล้วพอมาวางที่ตะวันออกนั่นแหละจึงมั่นคง พระองค์ก็ทําประทักษินต้นสารักกลยานีก็สํารวจเห็นเป็นทิศบูรพาก็ทําต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ไว้เบื้องพระปริสดางนั่งหันหลังให้กับต้นโพนี่นะก็ต้นสารักกลยานีก็เรียกว่าต้นโพคือแล้วแต่ว่าสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ใดถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยไม้เรียบเขาเห็นไม้เรียบปั๊บเขาจะเรียกต้นโพ นะถ้าหากว่าอย่างพระพุทธเจ้าโกนธัญญาตรัสรู้โดยอาศัยต้นไม้สาละกัลยาณีต้นขานางพสมัยนั้นเขาเห็นต้นขานางเมื่อไหร่เขาจะเรียกว่าต้นโพของเรานี่พระพุทธเจ้านั่งโดยอาศัยต้นใสใบเนี่ยนะหรือว่าโพใบเนี่ยแล้วตรัสรู้เราเห็นต้นไม้เหล่านี้เราก็เรียกว่าต้นโพเสร็จแล้วพระองค์ก็ปูราดยาได้กว้างได้58ศอกเพราะตัวพระองค์เนี่ยใหญ่เท่าไหร่88ศอกใช่ไหม ประทับนั่งขัดสมาธิอธิษฐานความเพียรอันประกอบไปด้วยองค์เนี่ยนะเพรว่าจะร่างกายนี้จะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกนะเนื้อและเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไปก็ตามทีถ้าไม่ได้ตรัสรู้อิทธลที่ปรารถนาคืออรหัตผลก็ไม่ลุกแล้วพอพออธิษฐานนั่งเสร็จพยมานก็ยกกองทับมาเลยนะเป็นอันนี้เป็นปกติที่ที่เรียกว่า เป็นเรื่องธรรมดาที่มารจะต้องมาผจญเนี่ยนะสำหรับพระพุทธเจ้าเพราะว่าเหมือนกับเหมือนกับ ว, ว่าไม่จะไม่อยู่ใต้อาณัตของมารแล้วนะมารเขาก็ต้องมาเรียกว่าเหมือนกับ ว, ว่ามาปฏิวัติปฏิวัติลีกออกจากระบบของมารมารก็บอกไม่ยอมมาก็เลยมีการมาชิงบอลลังก็ถือว่าบัลลังนี่สําคัญที่สุด ตัวถ้าไม่นั่งตรัสรู้ตรงนั้นก็ไม่รู้จะไปนั่งตรัสรู้ที่ไหนฮะที่ตรงนั้นเป็นที่สําคัญก็ศึกชิงบาลังก็เกิดขึ้นพระองค์ก็กําจัดมานและกองทัพมานก็ไม่ได้ไปฆ่าอะไรเข้ารอกปรารบว่าบาลังเนี้คู่ควรแก่พระองค์พระองค์ถามว่าอาอะไรว่าบาลังนี้จึงคู่ควรแก่พระองค์อ่ะโพที่บาลังทำไมจึงคู่ควรแก่พระองค์ก็เพราะว่าพระองค์ให้ทานมาเป็นต้นอ่ะแล้วใครเป็นพยานว่าท่านให้ทานมาก็บอกแผ่นดินนี่แหละเป็นพยาน แผ่นดินนี้เป็นพยานเพราะว่าพระองค์เคยให้ทานแล้วแผ่นดินไหวถึงเจ็ครั้งอย่างชาติที่เป็นพระเวสสันดรก็ให้ทานแล้วแผ่นดินไหวเจ็ดครั้งมันแผ่นดินก็เกิดความหวั่นไหวขึ้นพญามารก็เลยตกใจหนีกันไปหมดเลยกันนั้นพระองค์ก็ในปฐมยามเนี่ยนะคือหลังจากมารจากไปหมดพระองค์ก็นั่งกำหนดอาณาปานสติคือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยนะ กรรมาฐานที่ตรัสรู้ของพระองค์ต้องเป็นอานาปานสติพระองค์ก็เจริญอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดด้วยปัญญาว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดด้วยปัญญาว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นด้วยปัญญาเนี่ยนะก็ทาความทาศึก ทำความศึกษาว่ากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกระ ง, งับกายยสังขารคือลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยนะนะด้วยปัญญาทําศึกษาในการกำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็สั์กำหนดรู้ปีติรู้สุขเป็นต้นนะีนะก็ตามแนวเรียกพิจารณาอานาปานสติตามแนวสติปฐานสี่ตามไป หลังจากที่พระองค์ได้จตุทชาญเป็นบาทเนี่ยนะคือเจริญอานาปานสติจนได้ฌานที่4นะนะอาศัยฌานที่4ี่เป็นบาศพระองค์ก็น้อมไปนะนะเมื่อจิตเบาอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วก็น้อมไปเพื่อระลึกชาติในการก่อนเป็นอันมากคือระลึกชาติหนึ่งชาติสองชาติสามชาติ4ี่ชาติห้าชาติสิบชาติยี่สิบสี่ห้าสบชาติร้อยชาติ พันชาติแสนชาติหลายๆแสนชาติตลอดสังวัตตะกับเป็นอันมากตลอดวิวัตตกับเป็นอันมากตลอดสังวัตกับวิวัตตกับเป็นอันมากว่าในชาตินั้นมีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพันอย่างนั้นนะเสวยสุขเสวยทุกเช่นนั้นเช่นนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วก็ไปเกิดนะ ที่โน่นเป็นตอนก็รายละเอียดเกี่ยวกับทั้งหมดกับชีวิตเกี่ยวกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสมัยนั้นมีอาหารอย่างไรสเสวยทุกอยู่ที่ไหนสเสวยสุขอย่างไรเป็นตัวเนี่ระลึกได้หมดเลยเหมือนระลึกได้ว่าเมื่อวานไปทําอะไรที่ไหนอย่างไรมานั่นแหละก็คือระลึกได้หมดไม่ใช่ว่านั่งดูทีวีแบบภาพในอดีตของตัวเองมาเปิดดูไม่ใช่ลักษณะนั้นแต่ระลึกได้นึกได้เหมือนเราเนี่ยก่อนจะมานั่งตรงเนี้มาจากที่ไหนอ่ะนะ ไปเหมือนกับว่าใครที่ออกจากบ้านไปทําธุระข้างนอกแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านแล้ว ก, ก็มานั่งระลึกว่าเออเราไปที่ไหนมาบ้างคล้ายๆแบบนั้นก็เรียกว่าระลึกได้นะก็ระลึกถึงความหลังได้ทั้งหมดแล้วก็ระลึกถึงความหลังของพร ะ, พระองค์เองได้ด้วยระลึกถึงความหลังของผู้อื่นได้ด้วยนะก็ใช้เวลาระลึกชาติอยู่สี่ชั่วโมงด้วยกันซึ่งจริงๆแล้วพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นคนมีปัญญาไวมาก วัยวัยถามว่าวัยอย่างไรก็ยกตัวอย่างว่าตอนที่พระองค์เล่าให้ฟังว่าชั่วพระองค์หายใจเข้าออกพระองค์ระลึกได้91กลับนั่นะชั่วหายใจหายใจเข้าอย่างเดียวเฮ้ยนั่นแหละเกกลับถ้าหายใจออกอีก91กลับก็คํานวณ ว, ว่าหายใจกี่ครั้งต่อนาทีแล้วก็คํานวณไปอีกว่าหนึ่งนาทีหายใจกี่ครั้งชั่วโมงหายใจเท่าไหร่ก็คํานวณว่าควรจะระลึกได้เท่าไหรด่ดีก็คือแล้วพระพุทองค์เนี่ยไม่จําเป็นต้องระลึกตามลาดับ อ่ะนะหมายก็ว่าเหมือนกับว่าเปิดข้ามหน้าก็ได้นะถ้าเป็นหนังสือไม่ต้องเปิดแบบถอยหลังอ่ะนะหมายว่าเอาเอาเหมือนกับว่าถ้าเป็นหนึ่งเล่มนะเอาเปิดหน้า500แล้วก็ค่อยพลิกหน้า4ี่ร9อยเก้าส9บ9ก9า9ีแ้ก็แล้วก็เขาต้องต้องเปิดถอยอยังไงไม่ได้เปิดไปถอยน่นอ่ะหน้ า, 200, นาข้ามไปเลยก็ได้เกิดข้าม และไม่สงสัยในระหว่างด้วยเนี่ยนะปัญญาขนาดนั้นไม่สงสัยในระหว่างก็สา ม, มารถระลึกได้อย่างพระโพธิสัตว์พระองค์นี้เชื่อว่าไม่น่าจะระลึกต่ำกว่า16อสงไข่ในการระลึกชาติว่าระลึกไปเลยสิบอสงไข่นี่นะเราก็เอาเป็นว่าที่สวดมนต์เมื่อกี้จําพอได้บ้างกระแจวแล้วนะไม่ต้อง ไม่ต้องเวลากชาติในตังขนาดนั้นนะเอาจำบทสวดมนต์สวดพรได้จําพุท ธ, ธานุสตินะได้พุท ธ, ธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติก็ได้บุญเยอะแล้วนะถ้าแตถ้าระลึกชาติได้ก็นุโมทนาด้วยว่าเก่งจังทีนี้เมื่อผู้ที่ระลึกชาติได้มากๆากเลยนะก็เหมือนกับว่าทบทวนชีวิตถ้าพูดแบบคนธรรมนาทั่วๆไปเนี่ยใครที่มีอายุ560ปีแล้วระลึกถึงความหลังของตัวเองเนี่ยนะมันมีสาระเกณฑ์สารอย่างไร อันนี้ระลึกได้หลายๆร้อยชาติหมื่นชาติมันมีสาระอะไรบ้างท่านเห็นเหมือนกับว่าระลึก ต, กตั้งแต่อะไรถ้าพูดแบบภูมิ31ภูมิเนียท่านนึกตั้งแต่ท่านอยู่ในนรกไล่ขึ้นมานรกเปรตจุรกายเดราชานมนุษย์เราเทวดาเนี่ยนะสุขทุกในมนุษย์สุขทุกในเทวดาสเสวยแล้วก็เวียนขึ้นเวียนไหวตายเกิดพบน้อยพบใหญ่พบสูงพบต่ําทําดีทําชั่ววนเวียนทั้งทำ ท, ท, ทั้งดีทำทั้งชั่ว แล้วก็เห็นว่าว่าแต่ละชาติแต่ละชาตินี่ถูกเผามากี่ชาติแล้วถูกฝังมากี่ชาติเอาทอดทิ้งสรีระไปตายณนะที่ไหนตายแบบสมบูรณ์แบบเหมือนกับหลับตายหรือว่าตายแบบหัวหลุดหัวขาดแขนขาดเป็นต้นเนี่ยนะตายอยู่ในสภาพไหนท่านระลึกได้หมดแล้วแต่ละชาตินั้นเจ็บป่วยเนี่ยนะทุกทรมานขนาดไหนพิการอย่างไรเนื้อตัวเป็นอย่างไรผิวพันธุ์เป็นอย่างไรตกในรกและเจ็บปวดทรมานขนาดไหนระลึกได้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะทีนี้ ความสุขเนี่ยนะบางทีมันลืมง่ายนะจริงนะแต่ไม่เหมือนกับความทุกข์เพราะมันจะมีแต่ความทุกข์เท่านั้นที่ปรากฏว่าโอ้ที่เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะที่ผ่านมาไม่เห็นว่ามันมีสาระอะไรมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยมีแต่ความเมื่อยล้ามีแต่ความทุกข์มีแต่ความยากมีแต่ความลำบากไม่มีความจบความสิ้นเลยแล้วต่อไปข้างหน้ามันคืออะไรแต่ของพระองค์เนี่ยมีปัจเจกขณะยานตั้งแต่เล็กน้อยมาแล้วว่า บัดนี้นัตถิชาณิปุนพภวบัดนี้พบใหม่จะไม่มีอีกต่อไปพระองค์ก็น้อมไปเพื่อดูสัตว์อื่นที่กําลังเวียนวไหวตายเกิดจักเวียนวไหวตายเกิดต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเขาทำกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นอย่างไรชีวิตในพบต่ อ, ต, อต่อไปนั้นเป็นอย่างไรพระองค์ก็มีการสํารวจตรวจตราพิจารณาไคร้ครวญตลอดหมื่นโลกธาตุนะตลอดหมื่นโลกธาตุเนี่ยไม่ได้พิจารณาแค่คนสองคน น, นะ ของเราเองอะแค่เรื่ององตัวเองอะยังนึกไม่ค่อยจะออกเลยนะเรื่องคนอื่นอะไรมากมายแต่ของพระองค์เนี่ยชั่วหมื่นโลกธาตุพระองค์จึงเป็นาศาสดาของโลกพร้อมทั้งเทวโลกเนี่ยนะก็พิจารณาตรวจตราสัตว์เกิดสัตว์ตายพิจารณาอยู่อย่างนี้สี่ชั่วโมงแบบคนที่มีฌานสี่เนี่ยรองรับหรือมีสมาบัติแปดรองรับเนี่ยนะั้นปัญญาที่มีส ม, สมถะระดับฌานที่สี่รองรับเนี่ย หรือสมาบัติ8รองรับนั้นเป็นปัญญาที่เก่งมากเลยเป็นปัญญาที่ไม่ติดไม่ขัดเป็นคนที่ชํานาญและคล่องแคล่วพระองค์ก็ใช้ศับที่ค่อนข้างตรงตัวก็คือเมื่อจิตเบาจิตอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหว น, นะทั้งเบาทั้งอ่อนทั้งควรแก่การงานทั้งตั้งมั่นทั้งไม่หวั่นไหวน้อมไปพิจารณาอย่างไรก็ได้ จะน้อมไปพิจารณาอย่างใดๆก็ได้เหมือนกับอะไรเหมือนทองที่หล่อหลอมได้ที่เนี่ยนะจะน้อมเอาไปตกแต่งเป็นเครื่องประดับเหล่าใดก็ได้อย่างที่ใจต้องการมันจิตที่ได้ระดับชา้นที่สี่ก็เหมือนกันน้อมไปพิจารณาอะไรก็ได้ก็น้อมไปพิจารณาสัตว์เกิดสัตว์ตายน้อมไปพิจารณาหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมนะหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม กรรมก็คื อ, อรกายกรรมวจีกรรมและมะโนกรรมมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกายกรรมวจีกรรมและมะโนกรรมสมมติถ้าเรามองด้วยสายตาที่ยุติธรรมระดับพระพุทธเจ้าสรุปชีวิตทบทวนมาทั้งหมดเลยกรรมที่เราทํานี่ควรจะสุขหรือควรจะทุกข์ในอนาคตเอ า, เอาสมมติถาพระพุทธเจ้ามองเห็นเราเลยนะเป็นผู้มีสุขไปข้างหน้าหรือว่ามีทุกขน์นาหน้าไปข้างหน้า เอาเอาแบบแบบสายตาบริสุทธิ์เลยนะสายตาแบบดวงอาทิตย์าศาสต์องวัฒถนนเส้นทางชีวิตข้างหน้าของเรานั้นควรจะเป็นเช่นไรอย่างเงี้ยนะก็มา น, นึกดูนะทุกแน่นอนเลยนะ <g ül üyor> ก็เตรียมผ้าซับน้ําตาไว้บ้าง <g ül üyor> เตรียมผ้าก๊อตไว้เช็ดแผลเป็นต้นไว้บ้างเป็นต้ น, นก็ดูถ้ามีทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วก็ก็เตรียมผ้าซับเนื้ออะไรไว้บ้างเป็นต้นถ้ามีทุกเป็นเบื้องหน้าบอกอธิจริงก็ไม่ได้มีข้อแนะนําไม่ใช่อย่างนั้นหรอก นะควรแล้วที่จะเบื่อนายเขามีแต่พูดอย่างเงี้ยควรแล้วที่จะเบื่อนายในสังสารทุกข์ควรแล้วที่จะคลายกำหนัดในวัฏจทุกข์พอพิจารณาถึงสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดปั๊บคือพระองค์เนี่ยในการพิจารณาอริยสัตว์ไม่มีคนสอนเมื่อไม่มีคนสอนเนี่ยท่านคิดได้ยังไงเนี่ยนะท่านก็มาจัดกลุ่มของชีวิตเลยจากกลุ่มชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหมดเนี่ยถ้าจะกล่าวแล้วมันก็คือชารากับ มรณะนะท่านเอาสาระตรงนี้เป็นหลักเลยคือคือมันก็มีอะไรที่เห็นเห็นอยู่ที่สุดของภพทุกภพชาติทุกชาติก็คือชราและมรณะและชรามรณะเหล่านี้มาจากไหนนะก็ชรามรณะมาจากชาติวิปากวัฏก็ปรากฏทั้งหมดนะผลผลคือวิปากวัฏคือชาติชรามรณะมาจากไหนก็มาจากกรรมวัฏกรรมวัฏมาจากไหนก็มาจากกิเลสวัฏ กิเลสวัดมาจากไหนก็มาจากวิปากวัดวิปากวัดก็มาจากกรรมวัดมันก็ระบบเรียกว่าสังวัตจักเนี่ยนะวัตตะบวกจักกะจักกะแปลว่าหมุนวัตตะทั้งที่เป็นกรรมวัดวิปากวัดมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปก็มองทุกอย่างเป็นที่เรียกว่าเหมือนกับซิล็อล้อกวียนอะนะล็อกเวียนเรียกว่ากงรอบนอกเอากงล็อกวียนเนี่ยนะไอ้รอบนอกที่ที่กระทบกับพื้นนั้นเรียกว่ากง กองอันนั้นน่ะคือชราและมรณะชรามรณะเนี่ยนะแล้วกงมันก็ประกอบไปด้วยซี่กรรมมหาดุมซี่กรรมตัวนั้นก็เหมือนกับกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมกรรมทุกกรรมมันหมุนไปจบลงที่ชราและมรณะแล้วอะไรมันเป็นแกนกลางที่เป็นเหมือนดุมก็บอกอวิชากับภาวะตันหากงล้อรถอันนี้ประกอบไว้ที่ไหนประกอบไว้ในภพสามก็เป็นรถที่แล่นไปในภพสามพระองค์ก็ประทับอยู่บนแผ่นดินคือ ศีลประทับอยู่บนแผ่นดินคือศีลด้วยพระบาททั้งคู่คือวิริยะใช้พระหัตถ์คือศรัทธา น, นะจับขวานขึ้นมาจับขวานที่รับดีด้วยแล้วด้วยหินคือสมาธิฟาดฟันลงไปในรถคือพสาม่นั่นะฟันทั้งกระจายหมดเลยนะัก ด, ดุมหักซี่ล้อหักซี่กงทั้งหมดก็ด้วยการพิจารณาพระองค์ก็เลยเรียกว่าเป็นพระอรหันต์เรียกว่าพระอรหรันต์ นั่นก็กําจัดสี่กรรมแห่งสังสารวัตรทั้งหมดนั้นพระองค์ก็สรุปว่าเจริญวิปัสนาเนี่ยนะเจริญวิปัสนาในโดยลําดับมรรคนะพิจารณาปฏิจจสมุปบาทได้เป็นพระโสดาบัน น, นะเข้าออกจากโสดาปฏิผลก็เกิดปัจจเวคขณะยานไข้ครวญทุกอย่างแล้วก็เจริญวิปัสนาโดยปฏิจจสมุปบาทเพื่อบรรลุเป็นพระสกะทาคามีเมื่อเป็นพระสกะทาคามีแล้วก็มาพิจารณาปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมปฏิโลมเพื่อเป็น พระอนาคามีเมื่อเป็นพระอนาคามีก็มีปัจเวคขณยานพิจารณาปฏิจจสมุบา ท, ทั้งอนุโลมปฏิโลมจนได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันเนี่ยนะทีนี้ถามว่าขอบเขตในการเจริญวิปัสนาของพระโพธิสัตว์เนี่ยแค่ไหนแล้วก็การเจริญวิปัสนาของพระโพธิสัตว์เนี่ยทุกองเนี่ยจะต้องมีโอภาษคือแสงสว่าง แสงสว่างที่เราวิปัสสโนภาศเนี่ยแสงสว่างที่เกิดจากการพิจารณาชราและมรณะเนี่ยนะอันิีจะโตทุกขโตโรคโตอนัตตโตสารโตเป็นต้นอ่ะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกซ้อนเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นของผู้อื่นเป็นของมิใช่ตนเป็นต้นเนี่ยการพิจารณาไข้ครวญอันนั้นทําให้เกิดเกิดแสงสว่างขึ้นแสงสว่างเรียกว่าแสงสว่างคือปัญญาว่าสว่างขึ้นถามว่าความสว่างอันนั้นเนี่ยสว่างโล่งขนาดไหนบอกว่าหมื่นโลกธาตุ วิปัสสโนภาคของพระโพธิสัตว์นี่หมื่นโลกธาตุก็เกิดวิความสว่างทันขอบเขตในการพิจารณาสังขารธรรมของท่านเนี่ยมากไม่ใช่ว่าหยิบแค่หนึ่งเคาเรียกว่าเอาภูตรูปบางส่วน นะปทวีบางส่วนอาโปบางส่วนเตโชบางส่วนหรือว่าปทวีอาโปเตโชวาโยบางส่วนหรือพิจารณาแค่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือแค่ขันห้าบางส่วนอายตนะบางส่วนธาตุบางส่วนอินทรีย์บางส่วนปฏิจจสมุปบาทบางส่วนบอกไม่ท่านพิจารณาบอกว่าแทบไม่มีอะไรเหลือยัยบทมีเท่าใดบทที่ควรรู้มีเท่าใดปัญญาของพระพุทธเจ้าโคจรไปในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด แล้วไม่ใช่โคโจรแบบแค่รับรู้แบบนักท่องเที่ยวไปเห็นเห็นเออสวยดีไม่ใช่แค่นั้นคิดพิจารณาแบบคนมีหลักการานะว่าทุกอย่างที่ท่านเห็นเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยเห็นโดยความเป็นนะเห็นด้วยวิสุทธิศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิเนี่ยนะรับทราบสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดด้วยศีลวิสุทธิจิตต์จิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิทิฏฐิวิสุธ ท, ธ, ส ธ, ท ธ, สธิก็ไขขวนโดยขันอายตนะธาตุสัจจญอินทรีย์ปฏิจจสมุบาทข้ามความสงสัยใน พบสได้ทั้งหมดเนี่ยนะก็ไม่มีความสงสัยก็ใคร่ครวญเมื่อพิจารณาอย่างนั้นเท่าใดเนี่ยนะก็เห็นอะไรก็เห็นความเป็นไปของสังขารธรรมที่เรียกว่าปีละนโถมันมีอะไรมีแต่ความบีบคั้นมีแต่ความทุกข์มีแต่ความยากมีแต่ความลำบากมีแต่ความบีบคั้นนะมีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความเดือดร้อนเหมือนคนนั่งดูหนังสงครามอย่างนั้นเดี๋ยวก็นั่นก็เดือดร้อนนี่ก็ทุกข์นั่นก็ยากนะมันมีแต่ความทุกข์ความยากความลำบากความ คับแค้นปีลนะนโถสันตาปะเนี่ยนะมีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความเดือดร้อนเสร็จแล้วก็แต่ละอย่างนี่กว่าจะตกแต่งได้สําเร็จก็ยากแล้วเกินแต่ในที่สุดก็สลายไปเนี่ยนะก็สลายไปสิ่งเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งกรรมกรรมที่นําไปสู่ทุกขเหล่านั้นอีกนะอายุหนะนักรรมที่นําไปสู่พบใหม่เป็นต้นเป็นทั้งเหตุแห่งพบใหม่ก็น้อมไปเพื่อการออกเรียกว่านิสรณะเนี่ยนะน้อมไปเพื่อการหลีกออกพระพงษ์ก็ พิจารณาจนได้ตรัสรู้ฉะนั้นลำดับที่กล่าวไปเนี่ยนะก็สามารถค้นคว้าได้จากปฏิสัมพิธามรักเนี่ยนะเพราะว่าพระพุทธเจ้ามียานนะวัตถุ7จเอ่อเจ็ามยานเจหรือว่ายานทุกอย่างเนี่ยนะที่เรียกว่ายานยานทั้งหลายปัญญาความรู้ทุกชนิดเนี่ยนะมีอยู่ในพระพุทธเจ้าหมดเลยนะี่ยาณนะตัวนี้ปัญญานะี่ยไม่ใช่ย่อนยานคนละอย่างกัน